ตรอจากคุ้มสุดที่69ท่านที่พรเทีพามาเที่ยวขั้นจากอุาหราอีกครั้งหนึง่งภาพผู้ชมที่ประชุ ม, ม น, นั้นขะาดกว้างแต่สว่างมากมีเห็นรอบหินย้ายที่เป็นประกายรอวาวาดูคล้ายอยู่ในถ้ำแต่กว้างใหญ่และสว่างจ้เลยกอท่านได้สวันด้วยท่านว่าจะมัวแต่นั่งร้องไห้ล่ะจะอายใครเข้าร้องก็ร้องรับหลั ง, ล ง, ลงเขา แต่ไม่ร้องได้ก็ดูท่านร้องว่าอย่างนี้ถึงมันเห็นที่แย่มันไม่กลัวเราถ้ากิท่านื่อถึงใคด้วยถามท่านถึงอัท่านว่าแกมันติดพ้อลูกผู้หญิงอื่นเขาหาถกข้าวกับปลายอยู่ับแม่ถุกแกก็เห็นข้อเข้าปากเด็ก็ตามถึงไม่ติดนี่สทหารมาท่านว่าพลายงามถูกคนที่สิบหกแล้ว ด้วยอานิสงอันมุจากการสร้างวัดที่บ้านโปกงข้าเจ้าหมื่อเฝ้าท่านครบาสุริชัยเห็นหิมานท่านก็หลังใหญ่เด่เหมือนกันแต่เล็กกว่าของหวงพ่อท่านว่าที่ท่านสร้างบันไดขึ้นเพื่ท่าตดอยุเทศนะท่านอาสามาก่อนจะลงมาท่านบอกพวกเธอก็หมุนกันตั้งสิงกันมาทุกคนแต่เรคนไม่มีบารมีสร้างสมมาแล้วทั้งนั้น เรามารับหน้าที่ที่ต่างๆกันจากผลงานในบ้านการมาลงกันได้อย่างดีท่านว่าพื่ที่จะรสร้างบารมีนุสดาว่าเ้าสร้างของเขาวแล้วรู้หรือว่าเราเาไหร่ก็ลงมาปะให้มันเป็นเสยเพราะฉะนั้นพวกเธอจึงทาหน้าที่มั่นของตนให้ดีที่สุดก่อนจะกลับท่านชวนยิ้ๆมๆมาอยู่ด้วยกันไหมข้าพเจ้า ลมกล้าต่อไปท่านก็เลยลาท่านมาสเฉยๆมากราบหลงพ่อที่ริมของท่านท่านว่าถ้าแกนมาแกก็เข้ามาเที่ยวได้ทค่ในวิาตรู้สึกว่าท่านหมายถึงลูกโลกทุกคนถ้าขึ้นมาก็ได้มาเที่ยวริมานของท่านแน่ท่านลูกตาแล้วมากราบยลงพ่อเสร็จแล้วก็ม า, าสร้าสมเด็จองค์สถถุ ขออนุญาตท่านผุ้ที่จักขูกับท่านอ น, นุรุซึ่งภาวพว่าเป็นอาจารย์ของท่านตอนที่ได้กราบท่านวันแรกท่านว่าข้าพเจ้าว่าแก้ดยหลวงพ่อผมเด็ก่านอนุญาตท่านอ น, นุรุธก็ให้ดูเปลวไฟจักเพียนแต่ท่านให้ดูเป็นแบบฝ่ายเพือ่อท่านว่าจะไให้ติดตาใช้อธิษฐานดูออะไรอะไรก็ได้ ท่านสอนนิสยแค่นี้เองแต่เราจะทำได้หรือไม่ได้ที่เราจะกำหนดให้สุดทินวันนี่ทานที่สามสิบแลงวหนึ่งขั้นยามคือจัดทำสมาธิไม่ไยุดเลยก ร, กราบพระพุทธเจ้านะตั้งใจจะไปเที่ยวปรากฏว่านั่งหลับในชั่วนี้นเวลาหลวงพ่อเราก็รู้นอนตอนสามทุ่มครึ่งนิสัยไม่แย่มาก ก็ตั้งใจว่าจะมาทำในตอนเช้าวันเร้่ขึ้นแทนกลาคืนก็ในฝันเห็นหลงพ่อว่าได้กราบปุปเท้าท่านตื่นขึ้นมากําลังใจมีเราเป็นกองทีงเริ่มทาสมาธิกราบสงเด็จองค์พถมแล้วขออนุญาตท่านลงมาเที่ยวท่านตูนว่าอย่าไปม่ายนะไปให้ได้ประโยชน์นะ มหาท่านแม่ท่านรับสิแล้วท่านว่าอย่ากังวนใจลูกไม่ได้ทำผิดอะไรทุกครั้งที่มหาท่านแม่นี้ท่านจะต้องพามากราบท่านแม่สีทุกครั้งคือท่านจะเดินพามาด้วยทุกครั้งคือท่านเขาเกรงกลัวแม่ท่านแม่สีเหมือนกันท่านแม่สีเลือกที่พรที่บอกว่าให้พาน้องไปจุดแรกที่ไปคือท่านจารุมหาราชกราบท่านแม่สวรรณ ขอท่านดูบริเวกรอบๆสว่างสวยมากเทพเจ้าโอทั้งนามทั้งสูงาท่านมี้เห็นที่ระดุจมากกว่าเทพพรทธิดาองคเมุข ม, มันของโอเลสุกสว่างมากแต่ท่านก็สวยถามข่านามท่านทั้งสูท่านทางว า, า, ามุตต์ปากใจตอนนั้นบุกถามท่านถึงว่าเวลจุดปากเพีขัน เมื่อวานและ ว, วันนี้ด้วยทำไมเพียง ท, ที่หย่ตุกเกวดจึงไม่เปลวไตามลงไปในขันด้วยท่านว่าท่านมาล้อเล่นตั้งแต่เมื่อคนแล้วแต่รเราไม่เคยถึงท่านให้ว่าท่านเป็นพ่อมาแล้วแสงชาติที่แล้วที่พนที่พามาที่บันดุกรมพนศิลาอาดกำลังดีที่ครับแล้วว่าหมองแสงสะท้อนของทอง ก็เห็นท่านสู่พระอินทรทัาน์ถินั้นทบว่าเออย่ไดไม่ได้มากราบท่านก่อนท่านก็เให้เห็นเลยข้าพเจ้าขอขมาท่านท่านไม่โกรธอะไรยิ้มยิ้มปู่กราบอินถานท่านว่าท่านท่านที่เห็นอยู่ใกล้ใก้องท่านสู่นั้นคงจะมีกาที่ด้วยในสมัยเป็นมนุษย์ใช่ไหมท่านสู่ว่าใช่เขาสร้างของเขามาก กราบท่านที่คเนสวนท่านสวยยื่นงวงอยู่ช้างหนึ่งที่เห็นใน ม, ม, มืมนุษย์ทา้านว่าลูกท่านจะด้วยมากกไปจนอายุห้าขวบไปแล้วหลังจากนั้นจะเป็นผู้ว่านาอนอันง่ายและหันมาทางธรรท่านหมายถึงลูกเรื่องของข้าพเจ้างองค์ปรมาที่ไปกราบก็คือหลวงปู่สุกรกราบเรียนถามท่านว่าที่ท่านให้ทำเทพกระดู ก, กับลูกหลานนั้น มีความหมายว่าอย่างไรพเพราะพระบเจ้าไมรู้และก็ไม่ได้รับกับเขาด้วยท่านว่าให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจว่าได้สร้างความดีมนมากแล้วท้งที่ท่านก็มามอท น, นากันแล้วก็เป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไปด้วยพ้าเจ้าเขึ้นมากราบหงพ่อหลวงพ่งพเตือนว่าจะต้องใช้ความเพียรให้มากๆอย่าเพ้อตอนนี้ฝึกให้เข้าก่อนเพออยายามอย่าให้พลาด องค์ข้เจ้าก็มากาบโสมปูกาขอรู้สึกอิ่ใจแล้วก็ขึ้นมา ก, าากราบพระพุทธเจ้ า, า, าทีงกรนแล้วพระพุทธเจาทรงปมากรบิมบาตท่านเฉยๆหลวงพ่อเคยสั่งไว้ว่าพระพุทธเจ้านม่เยียบไนท่านมากวันนี้ใช้เวลาทาสมาธิ50นาทีเท่านั้นคือตั้งใจ เว่าต่อไปจะพยายามทำให้ถึงชั่วอโมองหนึ่งเพื่อหาสุนทรีที่ห น, นึ่งแลนสามข้นงกลับไปเหยียองคตผมแล้วมกากราบพบกับท่านสุขท่านตัวสูงข้อถึงชั่วครู่รู้สึกมันได้ใกล้คิดท่านแล้วก็มาหาท่านสุขอินท่านว่าท่านญาเขาไม่ดูแกโกไปเองไปคือไปหาเขา พอจะไปก็เห็นเท้าใครเลือดาบใหญ่ขนาดครึ่งตัวเราสีคั้ำรวยมากขึ้นมองเห็นว่าท่านคือท่านเวสคิดในใจว่าสงสัยจะมีเรื่องอะไรขึ่นแล้วท่านถึงไม่เห็นแบบนี้ก็ได้ย็นท่านว่าฉันจะมบาบอกแกเรื่องรักษาคนก่อนว่าดคาถาแกไม่ถึงฉันปัก๊ก็ไล่คถาเลยจิตแกไม่นอนได้เต็นที่เลยอันนี้ต้องแก้ใหม่ต้องไม่ให้เห็นก่อน มือมันต้องน้ยมมือซ่ว่าไม่ให้สักแต่เลือดชืเข้าใจไหมท่าว่าครับออย่างนี้คือคล้ายๆกับว่าได้เห็นท่านแล้วทำไมไม่ไมให้เห็นก่อนถึงจะรักษาเนี่ยเป็นการเตรียเฉพาะตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นทุกที่แดงเป็นฝุ่สากราบฐันถึงการปฏิบัติด้วย ข้าเจ้าทาหมู่สุตานท่านท่านบอกว่าให้มาบอกเขาว่าที่ทํำถูกแล้วแต่ว่าที่ปัิญญาญจะตุนผลสมาธิทรงสูงตัวได้ดีด้วยถึงนตื่นว่าที่ฝุกมโนมยิทธิการก็เพื่อมีผลสองอย่างทั้งผู้ที่ได้ไปเห็นก็ถือว่าเป็นกําไรส่วนผู้ที่ยังไม่เห็นก็ถือว่าทําให้สมาธิทรงตัวด้วย พี่ๆที่ฝากกราบถา ม, มานิมนตท่านผู้ทีอินว่าดูบอกเขาว่าไม่ต้องมานั่งถามกันทุกรายฝึกไปให้เห็นกันเองถ้าไม่ได้มาเห็นเองก็รู้ว่าคนที่ตั้งใจปฏะจ บ, บัติตามหลวงพ่อนั้นจุดเขานั้นตร ง, ง, งความดีไว้ 85% แล้วส่วนใครจะสร้างสมให้เต็มจะชาหรือไงต่อไปนี้ก็สุดแล้วแต่ปัญญาและวิริยะของตนที่น้อย ฝากถานถึงนิกที่ตอนจุตตายไม่นเไม่ทราบว่าเขาจะเป็นสงสุขสติหรือทุกขสติความนุกถามก็เห็นมายืนย้มตัวใหญ่และเป็นเทวดาคอยรักษารูมารของท่านสุขอินอยู่ด้วยเธอบอกว่าจิตทรงเอาเมตตาอยู่ตอนในขณะที่มีชีวิแ ต, ตอนที่สุตตายก็รู้ตัวไม่ใช่ไมู้ เขารว่ามันจรีตมือมันทานุไวจริงจริงตอนนั้นจิตไปนึกถึงหนูพ่อองค์แรกที่ได้อยู่วัดถึกท่านมาอันนี้ก็ถือเป็นจิตน้อมไปสู่ส่วนกี่ส อ, อเป็นสังคารุสุติได้ทำให้ได้มาสู่สุ ข, ขติในยานสวรรค์นี้วันสุกที่สองหลวงพ่ออนุญาตให้สุดมะนมาไม้ยึดที่สันที่บ้านท่านโยกงู ท, ทั้งที่ยันรุ่งขึ้นหลวงพ่อต้องเดินทางไปห้องกถงก่อนฝุดหลวงพ่อเตือนข้าพเจ้าว่าอย่าเป็นที่ฆ่าชาวบ้านโปรดปฏิบัติเทวีปรินายามและอย่าถามข้าวแท้ก่อนถามต้องทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนท่านว่าอย่างไรก็ต้องพูดตอนนั้นอย่าเป็นคาพูดและระวังอุปทานกิน หลวงพ่อบว่าเรื่องเื น, นองใจชาวบ้านและอย่าไปเฟื่องใจเห็นท่าไม่ดีเล่าตนไปเลยคิดว่าเราปฏิบัติเพืเหอหนทางสุดท้ายเงินทองขัดเ ง, ง, ง, ง air, ินขัสายมือไหก็ช่คยพผ่านไม่ได้หลวงพ่อว่าอย่าไปยื่นกับเรื่องของพวกพรามเพราะว่าพญานาคมีสุกรพระพิฆเนศมีเป็นช้างพระเจ้าก็มาดถึอท่านพระพิฆเนศที่ได้เป็นกษตริ่ก็ไม่เห็นท่านมีเป็นช้างสู็นอนุภาตัวไป วันนี้หลพ่อให้พี่สุราสึกน้ม้าพัฒทะด้วยผวงพ่อสังข้าพเจ้าว่าขึ้นไปบนพนิพานีนมากถามท่านทำความดีอะไรดีมีวิปปิ้งนั้นันนี้ข้าพุทธเจ้าขึ้นกาบพระพรุฬามณีแล้วก็มาหาท่านแมและท่านปู่พระอินแล้วก็ขึ้นมงบน่นิพานเลยกราบท่านหลวงพา่าวัดตท่านว่าเห็นความุึกน้นี้มั้ย ข้าพเจ้านั่งร้องห้กอดขาท่านเหมือนท่านเป็นแม่ท่านสอนให้ตัดร่างกายท่านมีส่วนงาไม่สนุกซึมเินคุยาท่าทางท่านดูเป็นหงเป็่อคหมือขนาดท่านยังไม่สุ่มซ่งค้ายชายหน่อยน่อยที่มนของคุณยายผมขาวคนคุยายไม่ื่อลข้าเจ้าเลือกตดามว่าคุณยายผมขาวเพราะนอกจากแยจกขาแล้วผมกขาวด้วยยท่าทาง ทีกจาสะอาดตาเขาเห็นขานก็สดุดมาทราบที่นางยอดคุณยายนี้ได้ที่จะขู ด, ด้วยเห็นน้ำ ม, มันทุณยายเข้าไปกาบุณยายาาดูคุารเสาวขคุณยายบอกว่าเคชวนให้มานานแล้วคนได้ไหมเห็น <m> ว่ามีนิสัยพอจะมาได้ท่านว่ยายขอให้ตัดร่างกายอีกเหมือนกันองคต่มาคือท่านแม่ของที่สมพร มองเห็นมือมันของท่านเดิแถวเดยกับหลวงพ่อแต่ลึกเข้าไปอีกท่านสอนเรื่งรงยองตัดร่างกายเหมือนกันเป็นที่สังเกตว่าแต่ลอง์ที่จะกราดท่านท่านสอนแต่ลกตัดคำห้าตัวเดียวการสอนของท่านมีลาบต่างเป็นไปแต่ข้าพเจ้ามีสุขทราบซึ้งทุกๆองค์ที่ท่านสอนทุกที่มือนที่เข้าไปก็เข้าไปโศกกายทุกหลังรู้ว่าน้ําตาบุบเกลียวทูน้ำเบ้าวิจาร มันเป็นยายไม่ถูงว่าตื้นตันแค่ไหนรู้แต่ว่าความพวกคนยาท่านนี่มันซึเข้าไปในจิตใจเมื่อหนุ่มเยี่ยงเชือด เ, เคยเป็ยินปกติยาเป็นเหมือนจะตัดให้ได้ที่ตอนนั้นเยี่ยไม่เห็นว่าร่างกายนั้นเป็นของเราแล้ ว, ว่ามองแล้วว่าเห็นว่ามันสวยกว่ากายเดิมก็ตามทั้งรู้สึกทราบซึ้งในพเมตตาบารมีของหลวงพ่อคิดว่าพราว่าท่าน ทำให้ข้าเจ้าได้มาเห็นพระนิพพานได้มาพูดถามกับพระอร้ยเจ้าเหล่านี้ได้นิมุกก็ยังร้องไห้ดว้วยส่วนน้ำมูกจไหลจะเช็ดเครวนจะมาที่เคลือนและที่คอยจะยับมือดูรถุงผ้าเป้อ น, นสุกสว่างเหมือนเดิมวันนี้ก็หลังกายเป็นดาเจ้านุ่มตาบนแดนพระนิพพานสุดท้ายมกากราบหลวงพ่อที่นี่มาท่านบอกท่านว่าหนู อ, อยากมาอยู่ที่นี่นเร็วหนูไม่ห่วงร่างกายแล้ว ตอนนั้นมันตัดได้สริงๆหมพ่อท่านพูดให้กำลังใจอะไรบางอย่างนั่งให้ไปเข้าที่บ้านหนึ่งตัวเองเหมือนเป็นการให้ไปภาคสู่สอบขวัญให้หายสศกข้าพเจ้าเข้าไปมันเย็นสบายและเป็นสุขๆเองไม่เคยได้รับความสุกนี้มาก่อนเลยถึงพี่นอนตั้งอยู่อยากขึ้นไปนอน เ่อได้ท่าจะขึ้นไปพอก้นโอนอถึงซตียงก็เหมือนเลื่อนถลายรงมา น, นั่งอยู่ที่พี้นแต่รู้เจ็บล น, นั่นขัดอย่างดีรู้ว่ามท่าจะยังไม่ถึงเวลาที่จะมา น, นอนเล่นบนี้ก็ไม่รู้สึกสียใจอะไรมองไปข้างนาว่าญาตมารของเราก็หลังนิ่นงสงบเสบายใจอะไรอย่างนี้ ดวงสว่างสวัยเหมือนเวลาดูงานเม่หตกรรมแต่ไม่มีเสียงอะไรชื้องแจ๊วเลยถ้าเข็ยนตือก็อยากจะเทศว่าโดยพระนิพพานนี่มีความสุขว่าสุขสงแล้วก็ยัสว่างสุใสอีกด้วยก่อนลายเบิกลาพระพทเจ้าศพก็พัดจุดเบิกอำเอจุฬาลือนี่เห็นองค์พระนิมมานสดใสพัดมีกาสุกสว่างม เพราะขณะนั้นจดทางดีน้อยเพราะก่อนทำสมาธิถูกสลวงพตนหลายอย่างทําให้ควาเกิดความเีตยตเงลียใจว่ายราทำไม่ได้คล่องเท่าไหร่นักไม่เคยคิดว่าเราทำได้ดีอยู่แล้วกรวาบคอคันตือคั่สอนของสมเด็จองค์ปัิจบัทำเตือนมาเฉพาะว่าถนนตนลืมตรนจะ ต, ตุนซู้ออกจากสมาี่ลุกไปหากระดาษทุดหน้าชุดตาสีหนุพรียกว่า ไปไหนหาไปไหนท่านว่าวันนี้ร้องห้นักท่านว่าวันนี้ท่านคุยกับเขาเพื่กระกจะไปที่บ้านท่านท่านว่าโพ่ที่บ้านหนวงพ่อไม่หลอกหลวมพ่อบอกว่าหนิมินมันเดินเงี้ยนาเงี้งหน้าอยู่วันนั้นหลวพถามว่าใจได้เท่าไราอบท่ามว่ายี่สิบห้า ขพ่อบอกว่าติดใจติดสองแต่อาจจะขอหยุดเพื่อเลิ่มสับไปได้ใจตอนนั้นทานพ่อถามว่าห่วงลูกไหมสอบตั้นแตเลยไม่ห่วงเจ้าค่ะท่านถามว่าอยากตายเมื่อไรสอบ่อีกตีเดียวก็ขอเจ้าค่ะท่านว่าฉันถามพระพุทธเจ้าสอกท่านว่าให้มันดีตัวเดียวไม่ได้หรือสมเด็ท่านว่าไม่ได้เราก็ควรดึงไห คุณพ่อบอกว่าที่มาเนี่ยเขาก็ได้ประสบขึ้นดอกนะไม่ใช่ใช่จะช่วยเล่าไปก่อนนะคุณจะปรึกษาท่านดูว่าจะปรึกษาดูอีกทีว่าจะต่อเกิน40เลไหมคุณพ่อาอารมณ์มันเข้ามา40ัา40เปอรนแล้ว50ไม่ได้ถ้า50มันต้องยากหัวคุณพ่อพูดว่าอย่างนั้น แต่เลยตอนนี้นก็คิดว่าความจริงก็เหมือนอยาหรือความจริงยาจีิงยาอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้นเขาก็เข้าใจาเราดีไม่ได้โกรกกันคือคิดเข้าข้างตัวเองมากไปที่ไม่อยากดูมันนานแต่ที่าต่อไปถ้าได้หน้าที่ที่ได้ช่วย้องมากกว่าที่เป็น อ, อยู่ทุกวันนี้ตอนนั้นอามที่อยากไปเร็อเวอาจจะมีก็ได้ ก็แต่ก่อนนี้เวลาหลวงพ่อสอนว่าการใดก็ตามเราทําเพื่อพนิพพานทั้งสิ้ใจหนึ่งก็คิดว่าพระนิพพานนะ่ะเราขอไปแม่แต่ก่อนลาโลกไปถูกแดนอันตุษอย่างยางนั้นเราจะขออยู่ช่วยญาติพี่น้องเพื่อรือนอกเครืงหลายให้อย่างน้อยไม่ปกนรกสิ่งอันใช้ได้จะช่วยได้บ้างน้อยอย่างไรก็ตามจะขอช่วยก่อนทึงไปคิดว่าอย่างนั้นตั้งนานแล้วเพราะว่าเราเองกลัวนรกมาก คือคงจะตบมาบ่อยหลายชาติจนมุดสันดานโกรธติดอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มือใครรู้สึกสงสารถ้าเหพุใครที่จะต้องลองไปสูญทุกเมยนะเขารู้ว่าคำสานของหลวงพ่อท่านทุกอย่างอย่างน้อยถ้าให้เขาได้มีโอกาสได้ฟังบ้างไม่มากนะก็ยันดีคือจะได้เกิดความคิดความอา่านที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น คือรู้สึกมนานแล้วว่าข้าพุทเจ้าเองเป็นเจองหนุทุกคนด้วยวิธีไหนก็ตามก็ไม่ถึงสุดเจ้าวิธีที่พวกเราเราจะช่วยกันเจริญคันส ง, งขององค์สมเด็จพร ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่หลวงพ่อกระทำไว้ให้ดีที่สุดหลวงพ่อท้ามีพร้อมทั้งทั้งขูทอบทั้งผ่อนทั้งสาวคุณยายผมขาเคยบอกข้าพุทเจ้าว่าลายเข็มที่ว่าแล้วน่แล้วนะ่ หลวงพ่อท่านแล้วยิ่งกวเค็มอีกนะวันนี้ตอนก่อนหลวงพ่อจะขึ้นข้างบนท่านเห็นมาถามข้าพเจ้าว่าอัชฌใครอยู่ข้างหลังท้านละข้างจะอุกอักอักท่าไว่ายังไม่เข้าแต่แค่นี้ก็ดูมากแล้วเห็นไม่ว่าฟังไปแล้วคำพูดท่านมีครบฟังแล้วก็รู้ตวว่าเรานอดเล็กพอต้องม่สุดให้ดยกว่านี้ แต่ก็ไม่เสียกำลังใจไปเสียหมดตอนท้ายท่านมึงบอกว่าถ้ายังไม่ได้ใจไม่ต้องพูดนะถูกแล้วแต่พี่ๆจำเวลาท่านเชียวหมาทีๆอย่างนี้ว่าเป็นสมเด็จองค์พระทูปันไม้เลยขอสรุปว่าตาเ น, นื้ออาจใช้ได้ดีกว่าตาทิศถ้าไม่ทิพให้ถึงขั้นจริงๆวันสาวที่สามบ่ายห้าท พวกลราตื่นกันหต่เช้ามาคุยกับคุณมือรุสื่อมตีรนท่านผู้นี้เราก็บอกไม่ถืกว่าเก่งมากแค่ไหนแต่ทุกคําพูดกินใจเราหมดคุณตัวกับพวกเราทุกท้่พี่ๆที่ฟังการสรุปเป็นคำเดียวกันว่าท่านพูดเก่งมากได้สาประโยชน์ท่านว่าอีกไม่นานพวกเราจะได้ช่วยโลกกันตามแต่ละหน้าที่ เอาไปสู่หลวงพ่อวันที่สนานดินดอนเมือท่านขึ้นเคื่เวลาเก้างยี่สบนทีแต่เครื่องบินยายาขึ้นเวลาเก้ามงสี่สิบนทีพวกเรากลับมาพบกันที่บ้านท่านเจ้องู่พี่น้อยจุดขอหลวสู่เป่ายนกรเพาขณะที่พี่แดงกำลังทำสมาธิข้าพเจ้าก็เห็นหลวงพ่อเสื้อคล้หันไปอีกครั้งรู้สุท่านคลั่งนสูใหญ่มากจวรท่านเป็นสีกระ หรือไม่แค่หลวงพ่อเห็นท่านชี้ไม้เปลงเท้าหรืออะไรอย่าคล้ายๆไม้เท้ามาที่พวกเราท่านนับมาตั้งแต่ครูป้าประดับหรืท่านว่าไอ่นี่ไอ้นี่ไอ้ีท่านชี้ไปพ้อมกับนัปฏิญญคนไม่ทราบทําไมตอนนั้นข้าพเจ้าหันไปถามกลับถามท่านว่าสี่คนเจ้าคะสี่ท่านว่าสิบแปดความอยากรู้ทําให้ข้าพเจ้าลืตาไม่นับ พรวางหันไปนับกลุ่มเราไม่หยอกใครพี่จิรดาก็ลูกไปข้างนอกข้าพเจ้านับได้18คนพอดีที่ไม่ได้นับพี่แดงซึ่งท่านไม่ได้ชี้และวที่จิรดาที่ลุกออกไปแต่ข้าพเจ้าไม่เข้าถึงความหมายพอเล่นตายพี่แดงถามว่าใครมารูสุกหนักหัวเป็นหมด ข้าพเจ้าจุดคู่ทันทีมันดึงที่ไม่ออกเราจึทซุกคู่เมื่อันดับเอ่จึงบอกได้มันตือต้อๆอยไรก็ไม่รู้อาจเพราะข้าพเจ้าหรือไม่คล่องในการใช้ก็เป็นได้ถ้กคูพ่พี่แดงก็ถามว่าเอ็ดเดอร์ซีท่านแม่ย่ายใหญ่มารึเปาวที่แดงรับสัมผัสได้วัยมากข้าเจ้าก็นั่งดูตอบไปว่าไม่ใช่แต่ท่านแม่ย่ายใหญ่หรอกที่มาข้าเจ้าหมายถึงท่าน แม่สีใหญ่เห็นท่านเปทักเดินหรือทางซ้ายพี่แงจงพระคุเจ้าก้มกราบทานมันไม่เห็นท่านทรงชดเต็มพระอุ่นสวางสวยนี่มีแยกเปหมดทุกคู่ท่านก็ผ่านทางพี่แจออกมาเป็นคำพูดแรกเลยท่านกับว่าท่านแม่สงผเขา้าฝากมาให้บอกด้วยว่าให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่ากังวนใจ แล้วท่านย่าก็เป็นด้่ย ส, สุดาไดถึงทุกส่วนมากท่านบอกว่าอย่าเตือนที่ไหนมากนะไม่เข้าใจอะไรให้มหาพระที่พระจุมณีถามพระท่านคนกับท่า น, นย่าบอกว่าลูกหลานทั้หลายที่ไม่ทักไม่เรียกอยน้อยใจย่ารักทุกคนแต่คนที่เรียกที่ทักพก่อาติเคยเลี้ยงดูอุ้มช่มา ย่าจะให้พอจะ ต, ต้องขึ้นไปขอเองถ้าขึ้นไปไม่ได้ยาาจะมาให้เห็นเองแต่ได้ข้อเดียวถ้าขึ้นไปเองขอได้สามขอ้อข่านยา่าให้กำลังใจว่ามันปฏิบัติไปไม่นานจะได้วันนี้หลวงปู่บาลท่านก็สอนพวกเราว่าเจ้าจงให้ควรธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุิเจ้าให้ถ่องทแท้ปักนิยมห้าชื่ออย่าไปสงสัย พิจรารณาให้เกิดเจ้าทิวเห็นการพเจราราข้อต่อไปจะได้ลอรงไปโดยโดยดีวันอาทิตที่สี่ 4, แลมหกข้ามกราบอุ่นสมเด็จอมประถงก่อนตามที่หลวงพ่อสั่ไว้เรืองหาท่านแม่พูดคุยกับท่านสักครูก็มากราท่านแม่สีท่านกำลังประชุมกั น, กนมนางฟ้านั่งนไปหมดขอท่านกาสท่านยา่า ถ้าเมที่พรทิพเข้าไปเจ้าไหว้ท่านท่านยื่นมือท่านสาวมือกลุ่มมือเข้าไปเจ้าไหว้ถการรับว่าท่านพาปรากาศท่านย่าท่านจะท่าอเหนือขึ้นไปพอกราบท่านแล้วก็ขอพรสามข้อจากท่านอยู่ท่านไหว้ไปขออะไรล่ะทูลท่านไหแล้วแต่ท่านจะบก้ค่ะท่านยนมว่าเอละย่จะให้สามข้อคือหนึ่งให้งนท่านกายวาจาลึก ขอให้มีความตื่รเร้นดีๆแต่ไม่รู้ว่าท่านไหนถึงว่าถ้าข้าที่ตกปลาคุณเอาข้าคุณใครจะทำได้เต็มที่ถึงบางเส้นใส่ไว้และข้อสุดท้ายท่านให้้ท่านอกว่าจะใช้ได้ทันทีเลยาที่ส่นเป็นจริงๆจะใช้ข้ามพ้นอีกส่วนทันทีอันนี้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยว ก, กับเรื่องฟ้าดินไ่ใชเรื่องกระตุกกระ ถ้าพระเจ้ามโมาปรรับคำกราบที่เท้าท่านจากนั้นท่านทีนท่พามะที่เทวสถานรู้สึกนื่นอยก้ากมเกี่ระวางเทพุมข้าพเจ้า อ, อาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้อ น, นี้เพาะท่านสวนัสด์ไม่ค่อยจะรู้หลอกบนนั้นเป็นที่ร่สุขสว่างเห็นท่านสุขอิ่มแะท่าทในที่ห น, นึงดนิแต่ไม่ช่บนเทวสภา ที่ประทับท่านไปนั่นดูคล้ายวอแต่ประดับิรดาไปด้วยเทพอ า, ายักษ์แพรวพายท่านกล้าวออกมาวันนี้เห็นท่านสดใสแ ล, และลัศมีกายสดใสดวางท่านสอนอะไรอยู่นิดห ม, ม่อยเชมีนี้ถือว่าเป็นการให้กำลังใจจะขอบันทึกต่อเพราะว่าตอนที่จะนั่งต่อไปเป็นตอนที่มุกกาเสูนตุปานและก็ท่าน ก่อนอะไรไว้บางดาม